อนาปฏิวันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ521 1. ้ิบเอพิสูตออกปากขอในสมัย2อพิกษุออกปากขอจากญาติ3าพิกษุออกปากขอจากคนปวารณา 4. ีพิกษุออกปากขอเพื่อพิกษุรูปอื่น5้พิกษุซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน 6. กพิกษุวิกลจริต7จพิกูุต้นบัญญัติ ัญญาตะกะวินยติกศิขาบทที่หบจบ